การให้ทานพระเจ้าจร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งใช่มั้ยครับนี่คุณอาดิชน์ถวายสังธทานนี่ไปเกิดที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับสวรรค์ชั้นที่ห้าที่เรียกว่ามีมานาลี